บทที่72เปิดป้ายร้านเสริมสวยวันเสาร์ที่29มิถุนายนท่านพระครูได้รับนิมนต์จากในแพทย์สมเจตนาให้ไปทำพิธีเปิดป้ายร้านเสริมสวยที่ในจังหวัดนายสมชายขับรถพาท่านออกจากวัดป่ามะม่วงตั้งแต่เจดนาฬิกา รถล่นออกประตูวัดมาแล้วผู้ที่ทําหน้าที่เป็นคนขับชวนคุยหมอสมแกนึกยังไงถึงได้หันมาเปิดกิจการร้านเสริมสวยอาชีพหมอก็รวยอยู่แล้วจริงไหมครับถ้าเธออยากรู้ก็ลองถามเขาดูสิไปถึงบ้านงานก็ถามเขาเลยนะมาถามฉันฉันจะไปรู้อะไรแต่ถ้าหลวงพ่อจะรู้ก็รู้ได้หลวงพ่อรู้ได้ทุกอย่าง ที่อยากจะรู้สิทธวัดว่าบังเอิญเรื่องนี้ฉันไม่อยากรู้ก็เลยไม่รู้สมพานวัยห้าสิบพูดขึ้นึมนละครับไม่รู้ก็ไม่เป็นไรครับชายหนุ่มวางท่าขึมบ้างหากก็ทําได้ไม่นานเพราะรู้สึกเหมือนท้องจะแตกจึงได้พูดขึ้นว่าไม่รู้หมอสมแก่จะอยากรวยไปถึงไหน ทั้งทำงานโรงพยาบาลทั้งเปิดคลินิกและยังจะมาเปิดร้านเสริมสวยอีกนี่แหละหน้าคนโบราณเขาถึงว่าคนรวยก็รวยเสียเหลือล้นคนจนก็จนเสือเหลือหลายเช่นนายสมชายเป็นต้นจนใชจนไม่มีเงินจะแต่งงานชายหนุ่มพูดไปเรื่อยเห็นท่านพระครูไม่พูดเขาจึงพูดต่ออีกว่าลูกเมียหรือก็ไม่มี ยังจะงกอีกได้ยินเขาเล่าว่าแกเคยแต่งงานนะครับเมื่อยี่สิบกว่าปีก่อนโน้นแกเคยแต่งงานกับลูกสาวเจ้าของโรงสีแต่ยังไงไม่ทราบอยู่กันแค่อทิย์เดียวก็ยากันเสียแล้วแกก็เลยครองตัวเป็นพ่อแม่เนื้อหอมมาจนบัดนี้แม้ท่านพระครูจะไม่พูดหากท่านก็ฟังและรู้ว่านั่นแหละเพราะกรรม กรรมตัวเดียวเท่านั้นที่บรรดาลให้เหล่าสัตว์ต้องมีอันเป็นไปใจคอหลวงพ่อจะให้ผมพูดอยู่คนเดียวอย่างนี้เหรือครับนายสมชายถามภิกษุวัยห้าสิบที่นั่งเด่นเป็นสงา่าอยู่เบื้องหลังของเขาชอบไม่ใช่หรือจะว่าชอบก็ไม่เชิงแต่ครั้นจะว่าไม่ชอบก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นผมเลยไม่ทราบว่าจะตอบหลวงพ่อว่าอย่างไรดีหรือว่าหลวงพ่อ จะให้ผมตอบว่ายังไงดีครับชายหนุ่มยั่วงั้นก็ไม่ต้องตอบท่านพระครูพูดตัดบทแต่ผมอยากตอบนี่ครับอยากตอบแต่ไม่รู้จะตอบยังไงคราวนี้เขายวนฉันก็ไม่รู้จะช่วยเธอยังไงเหมือนกันท่านยวนบ้างแต่ถ้าหลวงพ่อตั้งใจช่วยถึงไม่รู้ก็ช่วยได้นี่ครับคือช่วยทั้งทงที่ไม่รู้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 ป่านนี้ก็ยังไม่มีแววเลยหลวงพ่อลืมหรื อ, อยังครับที่เคยให้คำมั่นสัญญาไว้กับผมนะครับคำพูดของสิทธวัตรทำให้ท่านพระครูนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้อธิษฐานจิตช่วยให้ชายหนุ่มได้แต่งงานสมความมุ่งมาดปรารถนาดังที่ได้สัญญาไว้กับเขาถ้าเธอไม่เตือนก็คงลืมไปแล้วละ เอาละคืนนี้จะจัดการให้ทีนี้ก็หยุดพูดได้แล้วฉันจะหลับละและท่านจึงนั่งหลับตากระทั่งรถแล่นมาถึงบ้านงานพิธีทำบุญเลี้ยงพระเสร็จสิ้นลงเมื่อเวลา 9.19 นาิกนาทีจากนั้นพิธีเปิดป้ายร้านเสริมสวยเมื่อพระสมแปดรูปที่นิมนต์มาจากวัดอื่นขึ้นต้นสวดชยันโตจะภาพคือนแพทย์สมเจตนา จึงนิมนต์ท่านพระครูไปช่วยเจิมหน้าห้องเสริมสวยเขาถือขันจอกทองเหลืองไปจิว๋วซึ่งวางอยู่บนพานทองเหลืองมีลิ้นพานรองในขันบรรจุแป้งเจิมซึ่งทำจากดินสอพองบดละเอียดผสมกับน้ำมันจันเดินนำหน้าท่านพระครูไปยังห้องเสริมสวยเจิมห้องแรกเสร็จเขาก็นิมนต์ไปเจิมห้องอื่นๆอีก ทั้งหมดนับได้ถึงเจ็ดห้องสมภารวัดป่ามะม่วงรู้สึกแปลกใจว่าเหตุใดห้องเสริมสวยจึงมีหลายห้องนักแถมมีเลขที่ห้องเรียงลำดับจากหนึ่งถึงติดไว้ที่หน้าประตูของแต่ละห้องอีกด้วยเมื่อเจิมเสร็จท่านจึงเดินกลับมายังห้องโถงที่ใช้ทำพิธีพวกหนุ่มๆ ห, หน้าตาดีหลายคนพากันมาการะซ้าพรางหัวเราะคิกๆ คนหนึ่งถามขึ้นว่าหลวงพ่อไปทำอะไรที่นั่นครับคนเป็นพระเขาไม่ไปตรงนั้นกันหรอกเขาหมายถึงห้องเสริมสวยเขาให้ไปเจอมห้องเสริมสวยคําตอบของท่านทำให้พวกหนุ่มๆ ห, หัวเราะครืนคนเดิมพูดอีกว่าหลวงพ่อถูกหลอกซะแล้วชาวอาวาตวัดป่ามะม่วงนึกเอกใจท่าทางชัดจะไม่ชอบมาภากลซะแล้ว ท่านจึงกําหนดเห็นหนอเห็นหนอนั่นมันห้องอะไรหนอแล้วท่านก็ต้องตกใจเมื่อรู้ว่าอะไรเป็นอะไรตายแล้วหนอะซ่องโสเพณีหนอเราถูกหมอสมเจตนาหลอกให้มาเปิดป้ายสำนักโสเพณีเสียแล้วสินอท่านมองหน้าในแพทย์สมเจตนาคล้ายจะถามว่านี่มันอะไรกันหากฝ่ายนั้นทําหน้าไม่รู้ไม่ชี้ เมื่อท่านกลับมานั่งที่เดิมแล้วเจ้าภาพจึงถวายจจตุ ป, ปัจจัยทายธรรมแด่พระสงฆ์ทั้งก้ารูปและรับพรเสร็จแล้วพระแปดรูปก็พากันกลับวัดท่านพระครูยังไม่ยอมกลับเพราะต้องการจะผ่าตัดคนเป็นหมอผู้ที่เป็นหมอผ่าตัดคนอื่นๆมามากแล้วถึงคราวตัวเองจะต้องถูกผ่าตัดบ้างละ่ะทรงพระสงฆ์และแขกเหลือกลับไปแล้ว เจ้าภาพก็มานั่งพับเพียบอยู่ต่อหน้าท่านพระครูไงคุณหมอลึกยังไงถึงมาต้มอัตมาเสบเปื่อยเลยเห็นอัตมาเป็นไก่ไปแล้วหรือไงโทรหลวงพ่อครับก็เพราะผมเคารพนับถือหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นพระสุปฏิปันโน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 ท่านตัดพอต่อว่าผมกราบขอโทษครับหลวงพอ่อขอโทษมากๆเลยเขาก้มลงกราบหนึ่งครั้งยังไม่แค่นี้นะโทษของคุณหมอยังมีอีกรู้หรือเปล่าว่าคุณหมอกำลังประกอบมิจฉาอาชีวะการค้ามนุษย์ไม่จัดว่าเป็นสัมมาอาชีวะอาตมาไม่เข้าใจว่าทำไมคุณหมอต้องทำอย่างนี้พูดกันตรงๆเลยนะ อาตมาขอตำหนิว่าคุณหมอช่างโลภมากเสียเละเกินเท่าที่มีอยู่ยังไม่พออีกรึได้ชื่อว่าร่ำรวยที่สุดของจังหวัดนี้ยังไม่พอใจหรือพอใจครับหลวงพ่อตัวผมน่ะพอใจในสิ่งที่ผมมีผมเป็นไม่เคยทะเยอทะยานหรอกครับแต่ที่ต้องทำไปอย่างที่หลวงพ่อเห็นก็เพราะมันจำเป็นต้องทำครับจาเป็นยังไง ไหนพอจะบอกอาตมาได้หรือเปล่าได้ครับคือมันเป็นความประสงค์ของพวกเด็กๆเขาเขามาอ้อนวอนก็เลยต้องตามใจเขาเด็กๆที่ไหนก็พวกนุมๆที่นั่งหน้าสลอนอยู่นั่นไงครับถ้าผมไม่ตามใจพวกเขาเขาก็จะพากันทิ้งผมไปหมอสบตากับท่านพระครูเหมือนจะขอความเห็นใ จ, จเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วง เห็นแววตาที่บ่งบอกถึงความอ้างว้างว้าวเวก็เข้าใจความรู้สึกของเขาท่านนึกในใจว่าดูเอาเถอะพระพุทธองค์ทรงสอนให้ยึดพระรัตนตรัยเป็นที่พึง่งที่ระลึกแต่ตะหมอคนนี้กลับมายึดพวกนมนุ่มช่างหน้าสังเวชใจเสียจริงๆต่อเมื่อเห็นกฎแห่งกรรมของบุรุษตรงหน้าแล้วท่านก็เข้าใจไม่นึกตำหนิติดเตียนเขาอีก แล้วพวกสาวๆที่มาบริการแขกละ่ะตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนท่านหมายถึงบรรดาคุณตัวทั้งหลายช่วยกันล้างถ้วยชามอยู่ในครัวบ้างต้อนรับแขกบ้างครับท่านพระครูมองลงไปที่สนามหน้าบ้านซึ่งกลางเต็นท์ตั้งโต๊ะอาหารไว้บริการแขกเหลือที่มาร่วมงานมีสาวสวยสามสี่คนทำหน้าที่เป็นบริกรตอนนี้มีทั้งหมดกี่คนเจ็ดครับ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 ถ้าคุณหมออยากให้เขาอยู่ด้วยนานๆกินนจาการก็ต้องเจริญด้วยเอาอย่างนี้คุณหมอให้เด็กๆของคุณหมอไปทำงานแทนพวกสาวๆแล้วก็เรียกพวกสาวๆมาหาอาตมาอาตมาจะทำพิธีลงหน้าหน้าทองให้ในแพทย์วัยสี่สิบเศษจึงจัดการตามความประสงค์ของท่านพวกนมๆหน้าตาดีลุกออกไปสักพัก ส, สาวสาเจ็ดคนก็พากันมากราบท่านพระครูขอประทานโทษอาตมาต้องทำพิธีตามลำพังกับหนูหนูพวกนี้จึงขอความการุณาคุณหมออย่าให้ใครเข้ามายุ่งยากและช่วยไปตามลูกศิษย์ที่มากับอาตมาให้มานั่งเป็นเพื่อนด้วยเมื่อนายสมชายเข้ามานั่งในที่นั้นแล้วนายแพทย์สมเจตนาก็ปรีกตัวออกไปอย่างมีมารยาทห้องโถงนั้น จึงเหลือแต่เพียงท่านพระครูในสมชายกับคุณตัวทั้งเจ็ดยังไงกันจ้าหนูคิดยังไงถึงมายึดอาชีพนี้ท่านสัมภาษณ์ทีละคนและสรุปคำตอบได้ว่าห้าคนทําด้วยความเต็มใจมีสองคนเท่านั้นที่ถูกล่อลวงมาท่านใช้เห็นหนอสำรวจดูกฎแห่งกรรมของคนทั้งเจ็ดห้าคนที่มาด้วยความสมัครใจนั้น เพราะมีกรรมที่จะต้องเป็นอย่างนี้และจะต้องเป็นอย่างนี้ไปอีกคนละสามชาติบ้างห้าชาติบ้างและคนที่หน้าตาดีที่สุดนั้นจะต้องเป็นต่อไปอีกถึงเจดชาติส่วนอีกสองคนที่ถูกล่อลวงมานั้นเป็นหน้าที่ของท่านที่จะต้องช่วยให้หล่อนพ้นจากขุมนรกเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจัดการรดน้ำมนให้หญิงสาวทั้งห้า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 รวมทั้งหมอเด้อหรือเปล่าสมชายเป็นคนถามเปล่าค่ะหมอไม่มายุ่งกับพวกเราหล่อนตอบสมพานเย่าไม่กินไก่วัดชายหนมว่าไม่จริงหรอกพี่สมพานคนนี้กินไก่วัดแต่ไม่กินไก่ตัวเมียกินแต่ไก่ตัวผู้คนพูดมีเล็ไหนหมายความว่ายังไงสิทธ์วัดถามก็แกไม่ยุ่งกับพวกหนูแต่ไปยุ่งกับพวกนมนมนั่ น, น ที่เปิดซ่องก็เพื่อจะเอาใจคนพวกนั้นหญิงสาวพูดอย่างดูแคลนหนูอย่าไปว่าเขาเลยมันเป็นกรรมนะหนูกรรมของเขาเขาทำมาอย่างนั้นเอาเถอะสำหรับหนูสองคนหลวงพ่อจะช่วยท่านพระครูหยิบเงินออกมาจากย่ามสองร้อย นี่นะค่ะรถเดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดกับคุณหมอเขาให้ท่านให้นายสมชายไปตามนายแพทย์สมเจตนามาแล้วกล่าวว่าคุณหมออาตมาจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วรับรองว่ารุ่งโรดเรือ ง, ร, งรองถ้าท่านหยุดไว้เพียงเท่านั้นเพื่อเพิ่มความอยากรู้ให้คนเป็นหมอถ้าอะไรหลหรครับหลวงพ่อคนอยากรู้ถาม ถ้าคุณหมอจะไม่เอาแม่หนูสองคนหนีไว้ทำไมเหะครับสองคนนี้เป็นยังไงดวงเข้าไม่สมพง์กับอาชีพนี้ไปอยู่สํานักไหนก็ไม่เจริญทางที่ดีต้องเลิกเลขครับถ้างั้นผมก็จะส่งเข้าไปอยู่สํานักอื่นสํานักที่เป็นคู่แข่งของผมคนเป็นหมอแสดงนิสัยเจ้าเล่คุณหมออาตมาขอร้องเธอเท่าที่คุณหมอทำอยู่เนี่ย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 อย่างแรกคือก่อศัตรูไปทำให้เข้าพินาตล่มจมซึ่งคนที่เขาทำอย่างนั้นต้องเป็นคนจิตอกุศลมีจิตริษยาอย่างที่สองคือคุณหมอทำบาปกับเด็กสองคนนี้เพราะเขาไม่เดสมัครใจแต่ถูกบังคับเปรียบเหมือนว่าคุณหมอถนัดในทางรักษาไข้แต่พ่อแม่บังคับให้ไปชกมวยแล้วคุณหมอจะพอใจไหม คิดดูนะใจจริงแล้วอาตมาไม่สนับสนุนให้ใครทำผิดเลยแต่นี่อาตมาเห็นแล้วว่าเป็นกฎแห่งกรรมที่จะต้องเป็นอย่างนั้นคือทั้งคุณหมอและทั้งแม่หนูหากคนนั้นต่างมีกรรมร่วมกันมาอาตมาจึงไม่สามารถทักทานได้อาตมาขอเชิญพุทธพจน์มากราวให้คุณหมอฟังเพื่อเป็นคติสอนใจ คุณหมอเก็บไว้คิดไว้พิจารณาเองก็แล้วกันพุทธพจน์นั้นว่าบุคคลเข้าถึงกุศลธรรมจะอยู่เป็นสุขไม่คับแค้นไม่เดือดร้อนแต่ถ้าบุคคลเข้าถึงอกุศลธรรมจะอยู่เป็นทุกข์คับแค้นเดือดร้อนอัตมาช่วยคุณหมอได้เท่านี้แหละคนจบป .4 เทพโปรดคนจบปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตตกลงครับหลวงพ่อ ตกลงผมจะให้สองคนนี้ออกในแพทย์สมเจตนาพูดกับท่านพระครูหลังจากถูกเทศจะยืดยาวอาตมาขออนุโมทนาอย่างน้อยคุณหมอก็ได้ทำความดีให้แก่ตัวเองและเด็กสองคนนี้ไปสิหนูไปเก็บเสื้อผ้าประเดี๋ยวหลวงพ่อจะไปส่งที่ท่ารถท่านสั่งสองสีพี่น้องต้องจัดการพาไปเส็จแต่วันนี้ก่อนที่หมอสมเจตนาจะเปลี่ยนใจ เพราะคำยุยงของพวกหนมนมหน้าตาล่อเล้าพวกนั้นขากลับท่านพระครูย้ายไปนั่งด้านหน้าคู่กับคนขับพี่น้องสองสาวนั่งข้างหลังขณะที่รถแล่นไปสู่สถานีขนส่งที่จังหวัดจ้าวาดวัดป่ามะม่วงจึงแนะนำหญิงสาวทั้งสองว่าหนูไม่ต้องกลับไปที่บ้านอําเภอนําปาดหรอกนะกลับไปก็ถูกพ่อแม่พี่น้องเขารังเกียจ เพื่อนบ้านไกรเรือนเคียงเขาก่อติชิ้นนินทาด้วยและหลวงพ่อจะให้หนูกับน้องไปอยู่ที่ไหนละคะหนูไม่รู้จักใครที่ไหนเลยคนเป็นพี่ว่าไปสมัครงานที่ห้างขายทองนะหนูห้างขายทองอยู่ที่ตลาดอุตตรดิตฐในตัวเมืองนั่นแหละเขากำลังต้องการคนงานทำงานบ้านอยู่กับเขาทั้งสองคนและก็ช่วยกันทำงานด้วยความสื่อสัตย์สุจริต อีกสองปีหนูจะร่ำรวยเชื่อหลวงพ่อเธอขอบคุณหลวงพ่อมากค่ะที่เมตตาหนูกับน้องชีวิตนี้หนูจะไม่ลืมพระคุณของหลวงพ่อเลยคนเป็นพี่พูดเสียงเครือถึงท่ารถขนส่งท่านให้สองพี่น้องขึ้นรถและรออยู่จนกระทั่งรถออกเพื่อแน่ใจว่าหล่อนปลอดภยัยขณะนั่งรถกลับวัดท่านพูดกับสมชายว่า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 หมอสมเจตนาได้เด็ดขาดไปเลยท่านพูดแล้วหัวเราะหึหยคืนนั้นก่อนจำวัดจะอาวาสวัดป่ามะม่วงได้สวดมนต์แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้สรรพสัตว์แล้วจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าด้วยอำนาจของทานศีลภาวนาที่ข้าพเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ข้าพเจ้าสามารถอนุเคราะห์นายสมชายชื่นจำจิต ที่เขามีบุญคุณต่อข้าพเจ้าด้วยบัดนี้เขาได้พบเนื้อคู่และตกลงปรงใจจะแต่งงานกันแต่ยังขาดปัจจัยที่จะนำไปเป็นค่าสินสอดทองมัน่นข้าพเจ้าอยากจะอนุเคราะห์หากไม่มีปัจจัยจึงขออำนาจบา ร, รมีของข้าพเจ้าช่วยให้สิ่งที่ปรารถนาจงสาเร็จด้วยเถินตั้งจิตอธิษฐานเสร็จท่านก็ล้มตัวลงนอน ไม่ลืมที่จะกำหนดเอน็นเนอลงหนอลงหนอถึงหนออย่างแคลวคร่องว่องไวก่อนที่จะเคริ้มหลับก็มีเสียงมากระซิบข้างหูว่าอธิษฐานวกวนไม่แจมแจ้งฉะนั้นต้องรออีกสิบห้าวันจึงจะสมความปรารถนา